ไม่ทราบว่าจะเทศเลยไม่ว่าจะนั่งสมาธิกันสักครู่หน่อยเสียงตอนนี้มันยังค่อนข้างจะดังอยู่ฟังอาจารย์ฟังไม่ค่อยได้ยินนั่งสักสิบห้าทีเดี๋ยวฝนก็คงจะหยุดให้เสียงมันเงียบกว่า น, นี้สันหน่อยแล้วเวลาพูดธรรมะจะได้ฟังแบบสบาย ลองนั่งสมาธิกันไปให้มีสติอยู่กับอารมณ์ที่เราจะใช้เป็นที่ควบคุมกากับใจให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์นั้นเพียงอารมณ์เดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถเกาะติดอยู่กับอารมณ์กรรมฐ า, านได้ใจก็จะ เบาความคิดก็จะน้อยลงไปและจะสงบได้และพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบดังนั้นถ้าท่านใช้พุโทโธก็ขอให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับเสียงหรือกับอะไรที่เข้ามาแทรกให้เกาะติดอยู่ ก, กับการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป เช้าก็ได้เร็วก็ได้แล้วแต่บางทีช้าความคิดเข้ามาแทรกมากก็บรัรรมให้ถี่ขึ้นให้เร็วขึ้นถ้าใช้ดูลมหายใจก็ดูตดดูหยุดบริเวณปลายจมูกหรือเหนือบริเวณนินฝีปากขึ้นมาลมจะสัมผัสเข้าออกอยู่ตรงนั้น ให้เฝ้าอยู่ดูตรงจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาคอยสังเกตดูว่าขณะที่ดูลมไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าอยากถ้าคิดก็สแสดงว่าไม่ได้เฝ้าดูลมอย่างจริงจังถ้าเฝ้าดูลมอย่างจริงจังเน่จะเห็นตลอดแนวของลมตั้งแต่ หายใจเข้าไปจนสุดแล้วก็หายใจออกมาให้ดูตรงจุดเดียวตรงบริเวณปลายจมูกอย่าไปคาดถึงผลที่จะเกิดขึ้นหรืออย่าไปคิดถึงผลที่เคยได้รับในอดีตการคาดอดีตอนาคตก็จะทําให้จิตไม่อยู่ในปัจจุบันพอจิตไม่อยู่ในปัจจุบันก็จะ ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เพราะยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่นั่ขอให้เราอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นเวลาที่เราทำการภาวนาทำใจให้สงบเป้าหมายของการภาวนาก็คือให้จิตเข้าสู่ความสงบความว่างความปราศจากความคิดปรุงแต่ง อารมณ์ต่างๆหรือนิมิตต่างๆมีอะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่ภาวนาก็ให้รับรู้รับปล่อยวางอย่าไปมีปฏิกิริยาดีใจเสียใจตกใจถ้าถ้ามีปฏิกิริยาก็ให้รู้แล้วก็หยุดปฏิกิริยานั้นแล้วก็ภาวนาต่อไปภาวนาไปจนกว่าจิตจะนิ่งสงบ แล้วตอนนั้นก็จะเหลือแต่ผู้รู้ปรากฏขึ้นมาศักแต่ว่ารู้มีความอุเบกขามีความสุขพอพอถึงจุดนั้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรยังไม่ต้องกังวลเรื่องการเจริญปัญญาขั้นตอนนี้เรียกว่าการเจริญสมาธิเพื่อให้จิตได้พักได้เพิ่มกำลัง สมานี้เป็นฐานของกำลังของจิตถ้าจิตสงบได้นานเท่าไหร่ก็จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับข้าศึกสัตรูของจิตก็คือกิเลสตัณหาที่จะมาคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจถ้ามีอุเบกขามีความนิ่ง กิเตันหาจะไม่สามารถทำอะไรทำให้จิตใจวุ่นวายได้เวลานั่งสมาธิจึงไม่ต้องการพิจารณาอะไรทั้งนั้นต้องการให้จิตนิ่งอย่างเดียวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนกว่าจะถอนออกจากสมาธิถอนออกจากความสงบพอถอนออกมาแล้วจึงเป็นเวลาที่ ควรจะเจริญปัญญาอย่าปล่อยให้ใจคิดแบบที่เคยคิดไปในทางของกิเลสตัณหาเช่นคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราร่างกายนี้ควรจะอยู่กับเราเป็นนานๆควรไม่เจ็บไข้ได้ป่วยการคิดแบบนี้เป็นการคิดไปในทางของความหลงเพราะความจริงนั้น ร่างกายย่อมมีความเสื่อมลงไปตามลำดับย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยปรากฏขึ้นมาตามลำดับและย่อมมีความตายในที่สุดให้คิดแบบนี้คิดตามความจริงถึงจะเรียกว่าปัญญาถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆความหลงก็จะไม่สามารถหลอกให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาได้ ความหลงจะหลอกให้เราอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นขั้นตอนของปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วไม่ควรปล่อยให้ใจคิดไปตาม แนวทางของอวิชชาโมหะความหลงให้คิดไปในแนวของความจริงของธรรมะคือทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวไม่ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเจริญแล้วมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้เป็นทุกข์ ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นงนั้นใจอยากไปอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างอื่นนอกจากเป็นไปตามความเป็นจริงนี่คือการเจริญปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆสอนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นนิสัยคิดอะไรก็จะคิดไปในแนวของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะสามารถ ชำลายโมหะอวิชชาความหลงที่ดอกให้เราไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราจะปล่อยวางได้เราจะยอมรับความจริงได้พอเรารับความจริงได้ใจก็จะไม่ทุกกับความจริงันขอให้เราลองนั่งพาวนาไปอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวพอเสียง ฝนเสียงฟ้าสงบแล้วค่อยสนทนากันต่อวันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมการอดกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้ เป็นขั้นตอนที่1ของกระบวนการกิจกรรมของพระพุทธศาสนาการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เพื่อจะได้นําไปสู่ขั้นตอนขั้นที่2ก็คือการปฏิบัติที่ได้เข้าสู่ขั้นที่2คือการปฏิบัติแล้วก็จะได้ไปเข้าไปสู่ขั้นที่3คือการบรรลุคือ บรรลุธรรมขั้นต่างๆพอได้เข้าสู่ขั้นที่3แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นที่4ต่อไปก็คือการเผยแผ่ความรู้ให้แก่ผู้แล้วก็มีขั้นที่5คือการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในวงการของพุทธศาสนกชนนี่คือกระบวนการที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญได้ส่งปฏิบัติมาด้วยพระองค์เองขั้งแรกพระองค์ก็ส่งไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆ จ น, น บ, บรรลุผลที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้บรรลุกันแต่หลังจากนั้นแล้วต้ อ, องต้องศึกษาด้วยตนออเองเพราะไม่มีใครที่จะรู้ทำที่สูงกว่าขั้นของสมาธิทรงศึกษาทาขั้นศีลขั้นสมาธิกับครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาะญ และสามารถปฏิบัติสิลสมาธิได้อย่างสมบูรณ์แต่ยังไม่สามารถที่จะทําให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างถาวรพระองค์จึงต้องศึกษาด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใครรู้วิธีที่จะทําให้จิตนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร รู้จากวิธีที่จะทำให้จิตหลุดพ้นได้ชั่วคราวในขณะที่เข้าไปในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาจิตก็เริ่มผลิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่พระองค์เลยต้องทรงศึกษาด้วยพระองค์เองแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระองค์ส่งได้วินิจฉัยได้ศึกษาจนได้พบกับ สัจธรรมความจริงสี่ประการคือพระอาริยสัจ ส, สี่ทรงเห็นว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากการที่จะดับความทุกข์ก็ต้องเห็นว่าการกระทำตามความอยากไม่ได้เป็นการที่จะทำให้ความทุกข์หมดไปมีแต่การไม่กระทำตามความอยากเท่านั้น ถึงจะทําให้ความทุกข์หดไปได้พอทรงได้เห็นความจริงและได้ปฏิบัติจนจิตของพระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็ได้นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นหลังจากที่ได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาน้อมนําเอาไปปฏิบัติเกิดศรัทธาที่อยากจะมา อยู่ใต้ร่มกาสาวพัฒมาบวชเป็นพระภิกษุใ น, ในระยะแรกๆผู้บวชก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้กันเป็นส่วนใหญ่แต่ต่อมาก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะบวชแต่ยังไม่มีคุณธรรมขั้นสูงอยู่ภายในใจ คือยังไม่มีศีลสมาธิที่สมบูรณ์พอมาบวชแล้วการกระทาบางอย่างก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนและต่อผู้อื่นเระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ใช้การวินิจฉัยพิจารณาแก้ไขเวลาที่มีภาพภิกษุไปปฏิบัติตนที่ไม่สมควร มีสัทธายาดโยมมาก่าวฟ้องพระองค์ก็ต้องเรียกมาไต่สวนแล้วเมื่อวินิจฉัยแล้วก็ส่งแก้ไขด้วยการบัญญัติข้อห้ามต่างๆขึ้นมาในระยะแรกๆนี้ไม่มีพระปฏิโมกข์คือไม่มีศสีลสองร้อยี่สิบเจ็ด้ออย่างที่มีอยู่ในสมัยนี้เพราะว่า ในระยะแรกๆไม่มีผู้ที่ปฏิบัติตนที่ทำให้เกิดการเสียหายแต่ต่อมาพอมีผู้มีความศรัทธามาบวชกันมากขึ้นแล้วก็จิตใจไม่มีคุณธรรมคือศีลและสมาธิที่สมบูรณ์ก็เลยทำให้มีการกระทา ที่เสียหายจึงต้องมีการกำหนดข้อห้ามต่างๆขึ้นมาจาก1ข้อเป็นสองข้อเป็น3ข้อจนถึง227ข้อนี่คือการแก้ไขปัญหาของพระพุทธเจ้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนานี่คือกระบวนการห้ากระบวนการด้วยกันที่จะ รักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองให้อยู่คู่กับโลกไปได้นานแสนนานถ้าไม่มีกระบวนการทั้ง5้ากระบวนการนี้ไม่ครบการที่จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาการที่จะอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยาวนานก็จะเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะขั้นตอนขั้นที่สองคือการปฏิบัติและขั้นตอนขั้นที่สามคือการบรรลุธรรมถ้าเพียงแต่ศึกษาแล้วนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ความรู้ที่ได้นี้ที่ไปเผยแพร่นี้จะเป็นความรู้ที่เรียกว่า เพื่อนด้วยความหลงเพราะจิตของผู้ที่ฟังทมนี้ยังไม่ได้ชำระความหลงยังมีความหลงครอบงามจิตใจอยู่พอความรู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาสัมผัสกับใจของผู้ที่มีความหลงก็จะถูกความหลงนี้ครอบงมไปเวลาแสดงธรรม ก็จะแสดงไม่ถูกตามหลักของความจริงเพราะยังไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ด้วยการปฏิบัตินั่นเองก็จะสอนแบบจินตนาการไปการจินตนาการกับการเห็นของจริงนี้ย่อมไม่เหมือนกันเหมือนกับการที่เราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งที่เราไม่เคยไป ว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราก็จะจินตนาการไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราแต่พอเราได้ไปถึงสถานที่นั้นแล้วสิ่งที่เราได้จินตนาการไว้กับสิ่งที่เราได้เห็นนี่แทบจะไม่เหมือนกันเลยเพราะนี่คือความจริงเป็นอย่างนี้ต้องเห็นด้วยกตา สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นต้องเห็นด้วยตาต้องบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติถ้าบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติแล้วจะเห็นอย่างชัดเจนถูกต้องแม่นยำเวลาที่นําเอาสิ่งที่ตนได้เห็นมาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นก็จะเผยแผ่ได้อย่างแม่นยาผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็จะสามารถนำเอาไป พิสูจนเอาไปปฏิบัติได้เห็นผลได้อย่างเดียวกันสมัยนี้สิ่งที่รู้สึกจะขาดกันก็คือขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3คือมีแต่ปริยัติคือการศึกษาแต่ไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมถ้าเป็นการบรรลุก็เป็นการบรรลุแบบจินตนาการ คิดว่าเข้าใจแล้วคิดว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วแต่ภายในใจนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมอยู่ยังมีความหลงครอบงามีอวิชชาครอบงามีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการบรรลุธรรมที่แท้จริง การบรรุธรรมที่แท้จริงนี้จะทำให้จิตใจนี้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากตัณหาความอยากปราศจากอวิชชาพอไม่มีไม่พอไม่ได้ปฏิบัติเอานำเอาธรรมที่ได้ศึกษาไปเผยแผ่ก็จะ เผยแผ่ไปตามความรู้สึกนึกคิดของโมหะความหลงของอวิชชาก็เลยจะทำให้ผู้ที่ศึกษานี้ไม่สามารถได้เห็นความจริงได้แล้วก็เวลามีเกิดมีปัญหาขึ้นมาในวงการของพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ วงการของสง์นี้มีปัญหามากแต่การแก้ปัญหาก็แก้ไม่ถูกจุดกันเพราะผู้แก้ก็เป็นผู้ที่มีปัญหาอยู่ในใจของตนเองจึงแก้กันไม่ได้แต่ถ้าให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมแล้วมาเป็นผู้แก้ ย่อมแก้ได้แต่ไม่มีใครอยากจะให้มาแก้กันเพราะว่ามันเป็นการไปขัดกับความหลงที่มีอยู่ในใจของผู้ที่สร้างปัญหาต่างๆขึ้นมากันศา ส, สนาจึงอยู่ในสภาพที่เหมือนเรือที่กำลังจะอับปาง อันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามขบวนการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเดินมานั่นเองถ้าพระภิกษุทุกรูปที่มาบวชในบวรของพระพุทธศาสนาได้ดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดาเนินมาปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยมี หรือมีก็จะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแก้ไขมาคือเมื่อทำอะไรไม่ถูกก็ต้องห้ามต้องบัญญัติข้อห้ามขึ้นมาเช่นประสค์ปัจจบุบันนี้ปฏิบัติอะไรที่ไม่เหมาะสมญาติโยมไปไปแจ้งให้กับพระเทระทราบ พาเถระก็ต้องวินิจฉัยแล้วก็ต้องกำหนดข้อห้ามขึ้นมาแต่ไม่มีใครที่จะสามารถมีบารมีที่จะทำอย่างนี้ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มีคุณธรรมที่จะทำให้ผู้ที่ฟังมีความเคารพมีความเชื่อฟัง เพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมนั่นเองตอนนี้ศาสนาเราขาดสองขั้นตอนนี้คือขั้นตอนของปฏิบัติและปฏิเวทเรามีปริยัติมีการศึกษากันอย่างกว้างขวางแต่มีการปฏิบัติน้อยมากถ้ามีก็เป็นเพียงขั้นต้นๆหรือขั้นพอหอมปากหอมคอ ท่านแบบพิธีทำกันทีลาสาวันสามคืนแล้วก็หยุดกันไปปีหน้าค่อยกลับมาทำกันใหม่การปฏิบัติถ้าจะให้เกิดปฏิเวศคือผลนี้การปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการรับประทานอาหารร่างกายจะเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมา จากทารกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ก็อยู่ที่การรับประทานอาหารอย่างต่อเนื่องต้องรับประทานทุกวันรับประทานทุกครั้งที่เกิดความหิวเกิดความต้องการของร่างกายร่างกายถึงได้เจริญเติบโตขึ้นมาได้แต่ถ้าร่างกายได้รับอาหารเพียงปีละสองสามครั้ง อย่างนี้ร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะเจริญเตกบโ ต, ตขึ้นมาได้แต่ในพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องมีการทานุบำรุงด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุ ธ, ธรรมด้วยการเผยแผ่ธรรมด้วยการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น นี่แหละคือเรื่องของกระบวนการของพระพุทธศาสนาที่เราชาวพุทธที่มีศรัทธามีความรักพระพุทธศาสนาควรที่จะให้ความสำคัญกันควรที่จะดำเนินตามให้ได้ดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องไปกังวลกับผู้อื่น ผู้อื่นเขาจะทําหรือไม่ทํานี้เราไปบังคับเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราสามารถที่บังคับตัวเราได้ห้ามตัวเราได้และเราคนเดียวนี่แหละที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นก่อเป็นกรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวได้ทรงช่วยเหลือทรงก่อสร้าง พระพุทธศาสนาขึ้นมาด้วยพระ อ, องค์เองด้วยการปฏิบัติของพระ อ, องค์เองพอพระองค์ทรงปฏิบัติจนบรรลุแล้วแล้วนําเอาธรรมวิเศษนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็เกิดผู้มีจิตศรัทธาน้อมนําเอาไปปฏิบัติและบรรลุผลขึ้นมา ก็ตายเป็นผู้ที่จะมาเสริมกำลังทัพของพระพุทธศาสนาให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอันนี้แหละคือการอนุรักษ์หรือการสร้างพระพุทธศาสนาต้องสร้างด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุ ธ, ธรรมแล้วจึงค่อยนำเอามาเผยแผร่สอนสอนให้แก่ผู้อื่นซึ่งยังมีการกระทำอยู่ เป็นพักๆเป็นช่วงๆอย่างในยุคของพวกเรานี้ก็มีบุคคลที่มีความแน่วแน่ต่อการดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก็คือหลวงปู่มัน่นที่ทรงบำเพ็ญด้วยดวยตนเองโดยที่ไม่สนใจว่าผู้อื่นจะบำเพ็ญหรือไม่โดยท่านเอง ท่านก็บำเพ็ญศึกษาปริยัตก่อนศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อนเสร็จแล้วท่านก็ไปติดปฏิบัติจนในที่สุดท่านก็ไปบรรลุผลที่เชียงใหม่ในอายุระหว่าง 60-70 ถึงปีด้วยกันหลังจากนั้นท่านก็ ม, มาอบรมสั่งสอนให้แก่พระฟิกษุสามนเณร ที่มีจิตศรัทธาที่จะศึกษาปฏิบัติกับท่านก็เลยมีปรากฏมีครูบาอาจารย์ที่พวกเรากราบไหว้บูชากันขึ้นมาเป็นจำนวนมากอันนี้ก็เกิดจากการที่หลวงปู่มั่นมีความแน่วแน่ต่อการดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินก็คือศึกษาปฏิบัติบรรุธรรม เราจึงค่อยสั่งสอนผู้อื่นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของผู้อื่นยุคนี้เราจึงมีที่พึ่งเพราะว่ามีผู้ที่ยังมีความรู้มีผู้ที่ได้บรรลุธรรมผู้ที่เห็นธรรมอย่างแท้จริงนาเอาธรรมที่แท้จริงนี้ ที่เป็นสิ่งที่เลิศที่วิเศษนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราควรจะฟังทำเพื่อให้เกิดอิทธิบาสีขึ้นมาคือเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะน้อมเอาคำสอนที่ได้ยินได้ฟังในี้ไปปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ข่านต้นเราได้อิทธิบาทจากการได้ยินได้ฟังคือทำให้เราอยากปฏิบตัติพอเราปฏิบัติได้ผลแล้วก็จะเกิดอิทธิบาทขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็คืออยากจะปฏิบัติให้เต็มที่ขั้นต้นก็เพียงอยากจะลองปฏิบัติดูพอลองปฏิบัติดูแล้วได้รับผลที่ดีทำให้จิตใจมีความสงบมีความสุข มีความทุกข์น้อยลงไปก็จะเกิดอิทธิบาทอีกขั้นหนึ่งขึ้นมาก็คืออิทธิบาทที่อยากจะปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบก็จะได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่พอปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็จะได้รับผลอย่างเต็มที่นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรพยายามตั้งเป้าเอาไว้ เราก็มาฟังธรรมกันมากพอสมควรวันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายของปีที่เกปีหนึ่งก็มีสิบสองรอบถ้าคูณเข้าไปก็ร้อยแปดครั้งร้อยแปดรอบการฟังธรรมร้อยแปดรอบนี้มันน่าจะทำให้เกิดมีอิทธิบาทสี่ขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยถ้าไม่เกิดก็อาจจะมี ปัญหาอยู่สองที่ด้วยกันที่ละที่1ก็ที่คนแสดงว่าแสดงไม่ได้เรื่องหรือที่ที่สองก็คือคนฟังฟังแบบทัพพีในหม้อแกงคือฟังแล้วไม่เข้าไปในใจฟังแล้วไม่เกิดความเข้าใจไม่เกิดฉันทะเวรียขึ้นมาการฟังแบบทัพพีในหม้อแกงฟังอย่างไร ก็ฟังแบบใจลอยไปลอยมาใจไม่ได้อยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูไม่ได้พิจารณาตามธรรมที่ได้ยินได้ฟังฟังแล้วก็มัแต่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ฟังแบบนี้ก็เป็นลักษณะของทัพพีในหม้อแกงจะอยู่ในหม้อแกงนานสัก เก้าปีสิบปีก็ไม่รู้ว่าแกงนั้นเป็นรสอะไรแต่ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงนี่จะรู้ทันทีทุกทำบาทที่ปรากฏขึ้นมาที่มาสัมผัสกับหูจะมีสติรับเข้าไปสู่ใจทันทีจะมีการไข้ควรมีการพิจารณาตามแล้วก็จะมีการเห็น อย่างชัดเจนว่าควรจะต้องทำอะไรต่อไปอันนี้ก็ต้องขอให้พิจารณาแก้ไขกันว่าเราฟังมาก็นานพอสมควรแนละ้วเราได้ก้าวสู่เข้าสู่ขั้นปฏิบัติหรืออย่างเข้าไปได้มากน้อยเท่าไหร่มีอะไรเป็นอุปสรรคถ้าคนแสดงเป็นอุปสรรคก็ควรจะไปหาคนอื่น ไปฟังที่อื่นบ้างถ้าคนฟังเป็นอุปสรรคก็ต้องแก้ไขที่คนฟังฟังแบบใจลอยไปลอยมาก็ต้องก่อยควบกลุ่มใจอย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ฟังทมแล้วก็พิจารณาว่ามีอะไรอีกที่ทำให้ไม่สามารถออกปฏิบัติได้พอที่จะแก้ไขได้ก็ควรที่จะแก้ไข เช่นต้องทำงานทำการอย่างนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติก็ต้องถามว่าเราทำงานไปเพื่ออะไรทำงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือว่าทาเพื่อเลี้ยงกิเลสตัณหาโดยเฉพาะกามตัณหาหรือกามฉันทะคือยังรักที่ยังมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังชอบรับประทานยังชอบดืม่ม อะไรอยู่มากๆชอบดูชอบฟังมอหรลสบเครื่องบรรเทิงต่างๆสิ่ง e เหล่านี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการที่จะปฏิบัติได้เราก็ต้องทำลายอุปสรรคนั้นโดยพิจารณาว่าเราก็ดูฟังมานานแล้ ven, วเราก็ได้ดื่มได้รับประทานอะไรมานานแล้วมากแล้ว ผลที่เราได้รับจากการกระทำเหล่านี้มันเป็นอย่างไรทำให้ความทุกข์ในใจมันน้อยลงไปทำให้ความอยากในใจมันน้อยลงไปหรือเปล่าหรือยังมีเท่าเดิมหรือยังมีมากกว่าเดิมถ้ามันเป็นการกระทำที่เกิดโทษกับตัวเราเรายังทำมันอยู่ต่อไปทำไมมันก็ลักษณะเดียวกับคนที่ติดยาเสพติดดีๆนี่ คนที่ติดยาเสพติดนี้จะมีอะไรดีบ้างก็มีแต่จะต้องเสพจะต้องติดสิ่งที่เสพติดไปจนวันตายเท่านั้นจะไม่มีวันที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นได้เลยถ้าเรายังติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็ต้องพยายามทำลายมันให้ได้พระพุทธเจ้าก็ให้มอบเครื่องมือให้แล้วก็คือศีลแปด ให้เราถือศีลแปดกันรักษาศีลแปดในขั้นต้นก็รักษาในวันธรรมรสวรรวันพระอาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนถ้ารักษาไปแล้วรู้สึกว่ามีผลดีทำให้สามารถปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นก็จะรักษาเพิ่มขึ้นต่อไปได้จากวันหนึ่งก็เป็นสองวัน2วันสามวั น, วนตามลำดับ ต่อไปก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะลาออกจากงานได้เพราะถ้าเราไม่ต้องหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมากที่ต้องใช้เงินมากก็เพราะต้องซื้อของต่างๆมาบารุงบาเรอตาหูจมูกลิ้นกายนี่เอง พอเรารักษาศินแปดได้เรามีเวลาปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิทาใจให้สงบได้กามัฉันทะก็จะเบาบางลงไปความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะน้อยลงไปเงินทองที่ต้องใช้ก็น้อยลงไปก็จะทําให้เราไม่จาเป็นจะต้องทางานทาการก็ได้ถ้าเรา มีเงินเก็บไว้ก้อนหนึ่งพอที่จะสนับสนุนในการดำเนินชีวิตของเราในการปฏิบัติธรรมของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องคิดกันพิจารณากันถ้าเราฟังแล้วแล้วเราก็กลับไปอยู่กับสภาพเดิมอยู่แบบเดิมอยู่ การพัฒนาการก็จะไม่เกิดขึ้นการเจริญก้าวหน้าไปในทางธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นการฟังมาการฟังธรรมก็เป็นการฟังเพื่อประดับความรู้แต่ไม่ได้เป็นความรู้ที่จะนําไปสู่การปฏิบัติไม่ได้เป็นความรู้ที่จะนําไปสู่การดับทุกข์นี่คือเรื่องที่พวกเราควรที่จะ พิจารณกันถ้าเราอยากจะก้าวเข้าสู่การปฏิบัติก้าวเข้าสู่การบรรลุธรรมถ้าเราไม่แก้ไขเราติดอยู่ที่ขั้นนี้เราก็จะติดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่เรากำลังติดอยู่ในตอนนี้คิดดูก็แล้วกันก็9ปีด้วยกันหลังแล้วก็ 100, 108ครั้งพอดี ส2 9 108เก้าร้อยแปดจะต้องให้ถึงกี่ร้อยถึงจะได้ออกปฏิบัติกันเวลานั้นชีวิตจะเหลือสักเท่าไหร่กำลังวังชาที่จะปฏิบัติจะมีเหลือสักเท่าไหร่ให้คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ให้คิดถึงว่านานๆจะได้มีสิทธิ์รับมรดกอันวิเศษของพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่ง พวกเราเหมือนกับได้มาเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีกันพระพุทธเจ้านี่แหละคือมหาเศรษฐีที่แท้จริงเพราะท่านมีทรัพย์ที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้คือทรัพย์ภายในคือมรรคผลสนิพพานหนึ่งพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนนี่ก็ถือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามีสิทธิที่จะรับมรดกที่พระพุทธเจ้า ส่งมอบไว้ให้กับเราถ้าเราไปนับถือศาสนาอื่นก็เหมือนกับเราไปเกิดเป็นลูกของคนอื่นถ้าไปเกิดกับไปนับถือศาสนาอื่นก็เหมือนกับไปเป็นลูกของคนที่รวยไม่เท่าพระพุทธเจ้าถึงแม้จะรวยแต่ไม่รวยระดับมหาเศรษฐีศาสนาอื่นก็มีมรดกแต่มรดกของศาสนาอื่นนี้อยู่เพียงขั้นของสมาธิ ทเ ท, ท่านั้นข้นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นแต่จะไม่มีสวรรค์ชั้นมรชั้นขั้นมรผลนิพพานมรสีผลสีนิพพานอย่างนี้ไม่มีในศาสนาใดทั้งนั้นนอกจากพระพุทธศาสนานชาตินี้เราถือว่าเราโชคดีได้มาเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีเราจึงควรที่จะเตรียมตัวรับมรดก มรดกนี้มีอยู่แล้วรอเราอยู่แล้วเพียงแต่ให้เราไปรับเท่านั้นเองวิธีรับก็คือการศึกษาการปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าเราศึกษาแล้วเราปฏิบัติเราก็จะได้มรดกคือปฏิเวททำขั้นต่างๆมีชาตินี้เพียงชาติเดียวเท่านั้นที่จะเป็นอย่างนี้ถ้ากลับมาเกิดคราวหน้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มี โอกาสที่จะได้รับมรดกขั้นนี้ได้จะรับได้แค่ขั้นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดซ้าแล้วซ้ําอีกต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทขอให้เราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ ว่าเขากำลังประชิดเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆถ้าเขาเข้ามาครอบครองร่างกายเราเมื่อไหร่เวลานั้นการศึกษาการปฏิบัติเพื่อการมรรุธรรมนี้จะยากขึ้นไปตามลำดับและจะหมดไปในที่สุดที่อย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ ต่างๆเราจะได้ยุติการหาความสุขเหล่านี้ด้วยการรักษาศีลแปแล้วก็ใช้เวลาที่ว่างจากการหาความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายให้กับการเจริญสติกับการนั่งสมาธิและกับการเจริญปัญญาแล้วผลของ ทำขั้นต่างๆก็จะเป็นผลปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยาาวารวะหาปุร า, ป, ารปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุปกัปฏิ อิจิตังปฏติตางตุ მ หังคิตเเมวะสมิจจตุสัพเปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสพิตโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวะทวันตาาโยสุขีทีขายุโคผวะอภิวาทนัสีลิสานิจังวุธาปจายโนยะตาโรธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลังขั้นต่อไปก็คงจะ ถวายข้าวถวายของกันใครอยากจะได้นังสือวันนี้มีนังสือเล่มใหม่ออกมากเล่มธรรมะบนเขาแล้วก็มีประวัติหลวงตามาเพิ่มต่อไปนี้จะขอตอบปัญหาที่ถามมาทางอินเทอร์เน็ตครับมีเป็นคำถามจากทาง เฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับมีท่านหนึ่งถามว่าเรื่องของศีลพิสุปราชิกข้อห้ามรักของเขามีค่ามากกว่าห้ามาศอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าใช้อะไรเป็นตัววัดรู้สึกจะเป็นหนึ่งมาศนะไม่ใช่ห้ามาศแลวมาศนี้เขาก็เปรียบเทียบว่าเป็นทองคำขนาดมเมล็ดข้าว ก็ลองดูทองคำขนาดไม่ไดเข้าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าพันหนึ่งถ้ารักเกินพันหนึ่งก็กถือว่าเป็นเป็นประราชิกได้แต่การจะเป็นประราชิกหรือไม่นี่ก็ก็จะต้องมีคณะกรรมการสงขึ้นมาพิจารณาอีกทีนึ้งก็เหมือนศาลเนี่ยถ้าพระถูกกล่าวหาว่ารักทรัพย์ก็ต้องไปแจ้งให้แก่พระ เถระผู้ที่ปลุกครองพระสงค์รูปนั้นแล้วพระเถระท่านก็จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วก็วินิจฉัยตัดสินต่อไปคือเขากล่าวไ ว, ว้ว่ายิ่งวัดเนี่ยครับไม่ได้สอนพระใหม่อาจผิดได้ง่ายแล้วเพื่อนเขาเนี่ยจะังจะบวชใหม่ก็ยังไม่กล้าเพราะกลัวว่าจะทำให้สังกรรม ไม่สมูรณ์นะไม่พระทุกรูปที่บวชปั๊บนี้เขาจะสอนทันทีเลยก็มีอนุศาสตร์คือคําสอนที่เวลาเสร็จจากการอุอปสมบทนี่ท่านจะต้องสอนทันทีมีกิจที่ไม่พึงกระทำสีข้อแล้วกิจที่พึงกระทำสีข้อกิจที่ไม่พึงกระทำสี่ข้ อ, ก, ก, ข อ, ก, ก, ขอก็คือ1เศษเมถุนคือรวเบเศษกรรมสองลักทรัพย์สองฆ่ามนุษย์3มลักทรัพย์สี่ อดอุตรเรคุณธรรมวิเศษที่ไม่มีในตนนี่ก็จะสอนทันทีเลยเพอออกมาจากโบทนี่ต้องสอนในวันนั้นเลยปาราชิก4ส่วนกิจที่พึงกระทาก็มีอยู่4ี่คือ 1. บินทบาทเลี้ยงชีพ 2. ใช้ผ้าบังสกุล 3. อยู่อยู่อยู่ตามคนไม้ 4. ใช้ยาดองน้ำมูดเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บคือสอนให้พระามาักน้อยสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิดนั้นไม่ต้องกังวลหละมีมีแล้วก็มีพระพี่เลี้ยงก่อนที่จะต้องคอยอบรมเวลาบวชนี่แต่อย่างว่านั้นเนี่เราพูดในในวัดที่มีมีกิจกรรมเหล่านี้แต่วัดอื่นบางทีเขาบวชเช้าศึกเย็นเขาก็อาจจะไม่มีถ้าไปบวชวัดแบบนั้นก็ ก, ก็ก็ต้องต้องช่วยตัวเองต้องศึกษาเองก่อน ก็ไม่ยากเย็นอะไรคนที่เราจะบวชก็คนที่จะศึกษา ว, ว่าศีลของพระมีอะไรบ้างเราจะสามารถที่จะปฏิบัติตามศีลเหล่านั้นได้หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ดีๆก็บวชเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าตนเองทาได้หรือทําไม่ได้ดนั้นการบวชทุกวันนี้มันก็ต้องแยกเป็นสองบวชจริงกับบวชปลอม บวชจริงก็ต้องศึกษาต้องรู้ก่อนว่าการบวชนี่บวชแล้วต้องทําอะไรบ้างส่วนบวชปลอมก็คือพอนึกอยากจะบวชก็บวชเลยงานศพนึกอยากจะบวชอุทิศบุญให้ก็บวชบวชเช้าก็สวกเย็นกันหรือบวชเจ็ดวันบวชแก้ซวยก็มีบวชแก้โรคภัยแก้เจ็บก็มีบวชกันเป็นว่าเล่น บางคนบวดต้องสี่ห้าหนอเวลาไม่สบายใจก็บวชเวลาเวลากิจกรรมไม่ดีกิจกา ร, รมไม่ดีก็บวชเวลาแฟนทิ้งไปก็บวชไม่มีหรอกอาบได้ถ้าถ้าไม่ปาราชิตก็ยังบวชได้แต่เรามีคำกล่าวในสมัยโบราณว่าชายสามบวช แสดงว่าเป็นคนไม่เอาจริงเอาจังบวชแล้วพอเจอเจอของยากลำบากก็เสกพอเสด ก, กลับมาเจอชีวิตของคาร ว, วาที่ยากลำบากก็บวชก็ห <c oughs> นีไปหนีมาบวชแล้วก็ให้สมัยก่อนเขาบวชไม่เสอ ก, กันการบวชเขาไม่มีการเสด ก, กัน เพราะว่ามีการบวชแล้วมีการบรรลุ ธ, ธรรมกันก็เลยไม่มีใครอยากจะสึกกันเพราะถ้าบรรลุ ธ, ธรรมแล้วมันไม่มีอะไรจะวิเศษต่อการอยู่แบบสมมาเพศเพราะคนบรรลุแล้วไม่มีความหิวความอยากในลาบยศ ส, สรรเสริญเพราะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าคือนัทติสันติปรังสุ ข, ขังความสุขที่เกิดจากความสงบ ถ้าใครได้ความสุขนี้แล้วจะไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นไม่ต้องการสามีไม่ต้องการภรรยาไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญในสมัยพระพุทธการ mm hmm. เขาบวชกันจริงๆเขาบวชกันเพื่อปฏิบัติเพื่อบรรลุ ธ, ธรรมกันจริงๆ mm hmm. แต่สมัยนี้มันธรรมเนียมนี้มันหายไปแล้วนานๆจะมีรื้อฟื้นขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง แล้วยกนี้ก็รื้อฟื้นโดยหลวงปู่มนนั่นเองท่านเหล่านี้ท่านบวชแล้วท่านบรรลุธรรมกันไม่มีใครศึกกันยังขอให้เราอขอให้ดูแบบฉบับที่ดีแบบฉบับที่ไม่ดีเราก็อย่าไปสนใจที่เราจะรู้ได้ไงเราก็ต้องศึกษาแบบฉบับที่ดีศึกษาพุทธประวัติศึกษาประวัติของภาษาวกทั้งหลาย เราถึงจะได้รู้ว่าเพชรแท้เป็นอย่างไรเผ็ดปลอมเป็นอย่างไรอ่นแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็อ้ามีคำถามมีคำถามหนึ่งเอาเอาไม้ไปหน่อยไหมไม่ได้หยินชัดอก็สมาธิทุกทุก วิธีการบำเพ็ญสมาธิก็เพื่อเข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่อุเบกขาสัจตวารูเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งไม่มีความคิดปรูงแต่งการเพ่งเกษินหรือการบริกรรมพุโทโธนี้เป็นเหตุที่จะนําให้ไปสู่ผลนั้นเหตุมีอยู่40ชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐาน40ะจะใช้แบบไหนก็ได้ผลก็จะได้เหมือนกัน ไม่ได้ยิ น, ยนสรรสินนี้คือแสงคือสีต่างๆไงคือเราต้องกําหนดสีขึ้นมาสีใดเช่นสีแดงแล้วก็นึกหลับตาตอนต้นเราก็มองสีแดงก่อนแล้วจาสีแดงนั้นไว้ให้ดีแล้วเราก็หลับตาแล้วก็พยายามนึกถึงสีแดงนั้นให้ปรากฏขึ้นมาในใจหลับตาก็เห็นนี่ หลับตาก็เห็นสีแดงแล้วก็เกาะติดอยู่กับสีแดงมันไปเรื่อยๆถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ hmm. แต่ไม่ค่อยมีใครสอนไม่มีใครปฏิบัติกัน hmm. ส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติอาณาปณะสติหรือพุทธานุสติกันเป็นหลักแต่ก็ไม่ห้ามใครอยากจะปฏิบัติอย่างนั้นก็ได้เพราะในอดีตชาติอาจจะเคยฝึกมาทางนี้ก็ได้ อันนั้นให้เพงให้เพ่งประดูกสังขารก็คือให้ดูอสุภะอย่างนี้คือให้กําหนดอสุภะในลักษณะต่างๆขึ้นมาจะดูศพตายไปวันหนึ่งก็ได้ตายไปสามวันก็ได้ตายไปเจดวันก็ได้ศพที่ถูกแรงกากัลากกินไปก็ได้หรือดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังก็ได้ให้เพ่งดูอย่างนี้เพื่อกําหนดกามาลาคะ ความอยากจะเสกกรมเพราะถ้าเห็นความไม่สวยงามของร่างกายแล้วกามอารมณ์มันก็จะดับไปเวลาเกิดกามอารมณ์ก็ต้องใช้การเพ่งอสุภะดูอสุภะพิจารณาอสุภะแล้วก็จะดับกามอารมณ์ได้ <c oughs> คือการเห็นทุกนี้มันก็เป็น <c oughs> เห็นทุกที่เกิดจากกามอารมณ์ไงเวลาเราเกิดกามอารมณ์นี่เราอยู่ไม่เป็นปกติ อยู่ไม่เป็นสุขต้องห า, าหาร่างกายของผู้อื่นมาเสพพอเราดับการอารมณ์นั้นได้ความทุกข์มันก็จะหายไปเราก็จะเห็นว่าทุกข์ของเรานี้เกิดจากการอารมณ์ความอยากในการนี้และการอารมณ์จะดับได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นสุภาพเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย ใช่ถ้าเราเห็นความไม่สวยงามบ่อยๆเราก็จะเบื่อหน่ายกับร่างกายเบื่อหน่ายกับกามมารมณ์ไปอ่าแล้วนะอย่างนั้นก็ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ